ปธรมะอนาถบินธิกะสูตรว่าด้วยอนาบินทิกะขหบดีสูตรที่หนึ่งหนึ่งเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาธบินทิกะขหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาธบินทิกะขหบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า มาเถิดพ่อมหาจํเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวตามคําของเราว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถบินธิกะขหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่า ขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบินทิกะขหะบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำแล้วเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญท่านอนาถบินทิกะขหะบดีป่วย ได้รับทุกเป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระสารีบุตรโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาถบินธิกะขะหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุจเนีภาพครั้นในเวลาเช้า ท่านพระสารีบุตรครองอันตรวาสศกถือบาทและจีวรมีท่านพระอนนท์เป็นปัจฉาสมณะเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาทบินทิกะขหะบดีนั่งบนอาสนะที่ปูลาดแล้วถามท่านอนาทบินทิกะขหะบดีดังนี้ว่าขหะบดีท่านยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือ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 4. ประกอบด้วยความเป็นผู้ทุศีลเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุขติวินิบาตนารกความเป็นผู้ทุศีลเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีศีลที่พระอริยะชอบใจไม่ขาดเป็นไปเพื่อสมาธิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยะชอบใจ นั้นว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพลันห้ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกมิจฉาทิฏฐิเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาทิฏฐิก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาทิฏฐินั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันหกประกอบด้วยมิจฉาสังกัปปะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกมิจฉาสังกัปปะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาสังกัปปะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาสังกัปปะนั้น ว่ามีอยู่ในตนเวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันเจประกอบด้วยมิจฉาวาจาเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวิณิบารนรกมิจฉาวาจาเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวาจาก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวาจานั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันแปประกอบด้วยมิจฉากรรมันตะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนรกมิจฉากรมันตะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมารกรรมันตะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมารกรรมันตะนั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันเกประกอบด้วยมิจฉาอาชีวะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอาบายทุกขติวินิบาทนารกมิจฉาอาชีวะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาอาชีวะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาอาชีวะนั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรัน 10. ประกอบด้วยมิจฉาวายามะเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกคติวินิบาตนารกมิจฉาวายามะเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวายามะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวายามะนั้นว่ามีอยู่ในตน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 เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันสิบสามประกอบด้วยมิจฉาญาณเช่นใดหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกมิจฉาญาณเช่นนั้นย่อบไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาญาณนะก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาญาณ น, นั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันสิบสีประกอบด้วยมิจฉา ว, วิมุตเช่นใดหลังจากตายแล้วก็จะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนารกมิจฉา ว, วิมุตเช่นนั้นย่อมไม่มีแก่ท่านเพราะท่านมีสัมมาวิมุตตก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นสัมมาวิมุตตนั้นว่ามีอยู่ในตน เวทนาก็จะสงบระงับไปโดยพรันขณะนั้นเวทนาของท่านอนาธบินทิกะขะหบดีได้สงบระงับไปโดยพรันท่านอนาธบินทิกะขะหบดีอังคาทท่านพระสารีบุตรและท่านพระ อ, อนนท์ด้วยอาหารที่เขาจัดไว้สำหรับตนแล้วจึงเลือกนั่งหนะ้าที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งตำกว่า เมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาทแล้วจึงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าผู้ใดมีศรัทธาในพระตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามที่พระอริยะชอบใจแล ะ, ละสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายเรียกผู้นั้นว่าเป็นคนไม่ขาดสน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 ต่อมาท่านพระ อ, อนนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถาวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามท่านพระ อ, อนน์ดังนี้ว่า อ, อนน์เธอมาจากที่ไหนแต่ยังวันท่านพระ อ, อนน์ทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญ ท่านพระสารีบุตรกล่าวสอนท่านอนาธบินธิกะขะหบดีด้วยโอวาทนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนนสารีบุตรเป็นบัณฑิตมีปัญญามากได้จำแนกองค์เครื่องบรรลุโสดาด้วยอาการสิบอย่างปฐมอนาธบินธิกะสูตรที่หกจบ ทุติยะอนาธบินทิกะสูตรว่าด้วยอนาธบินทิกะขะหะบดีสูตรที่สองหนึ่งพันเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านอนาธบินทิกะขะหะบดีป่วยได้รับทุกเป็นไข้หนักครั้งนั้นท่านอนาธบินทิกะขะหะบดีเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่า มาเถิดพ่อมหาจำเริญเจ้าจงเข้าไปหาท่านพระอนุ์กราบเท้าทั้งสองของท่านด้วยเสียงกล้าวตามคำของเราว่าพระคุณเจ้าผู้จเจริญท่านอนาถบินทิกะคหบดีป่วยได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและเจ้าจงกราบเรียนอย่างนี้ว่า ขอท่านพระอนนท์โปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาทบินทิกะขะหะบดีถึงนิเวศด้วยเถิดบุรุษนั้นรับคำของท่านอนาทบินทิกะขะหะบดีแล้วเข้าไปหาท่านพระอนน์ถึงที่อยู่อภิวาสแล้วนั่งนัทที่สมควรได้กราบเรียนท่านพระอนน์ดังนี้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญ อ, อนาทบินทิกะขะหะบดีป่วย ได้รับทุกข์เป็นไข้หนักท่านขอกราบเท้าทั้งสองของพระคุณท่านด้วยเสียงกล้าวและขอฝากมากราบเรียนอย่างนี้ว่าขอท่านพระ อ, อนนนโปรดอนุเคราะห์เข้าไปเยี่ยมท่านอนาธบินทิกะขะหบดีถึงนิเวศด้วยเถิดท่านพระ อ, อนนนรับนิมนต์โดยดุษณีภาพครั้นในเวลาเช้าท่านพระ อ, อนนนครองอันตรวาสศก ถือบาทและจีวรเข้าไปยังนิเวศของท่านอนาธบินทิกะขหะบดีนั่งบนอาสนะที่โปลาดไว้แล้วถามอนาธบินทิกะขหะบดีดังนี้ว่าขหะบดีท่านยังสบายดีหรือยังพออยู่ได้หรือทุกขเวทนาทุลาลงไม่กำเริบขึ้นหรืออาการทุเลาปรากฏ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 ก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความไม่เลื่อมใสในพระสงฆ์นั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุง้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า 4. ประกอบด้วยความทุศีนก็เมื่อเขาพิจารณาเห็นความทุศีนนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมสะดุง้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า ข้บดีปุุชนผู้ไม่ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ย่อมสะดุ้งหวาดวันกลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสีประการย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าธรรมสีประการอะไรบ้างคือ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 อันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดหวัน่นไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า 2. ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วอันวิญยูชนพึงรู้เฉพาะตน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 ก็เมื่อท่านพิจารณาเห็นศีลที่พระอริยะชอบใจนั้นว่ามีอยู่ในตนย่อมไม่สะดุง้งไม่หวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้าขหาบดีพระอริยสาวกผู้ได้สดับประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้ย่อมไม่สะดุ้งหวาดวันไม่กลัวความตายที่จะมาถึงในภายหน้า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 ที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ผมยังไม่เห็นสิขาบทเหล่านั้นในตนสักข้อว่าขาดไปขหบดีเป็นลาบของท่านท่านได้ดีแล้วโสดาปฏิผลท่านทำให้แจ้งแล้วทุติยานาถบินทิกะสูตรที่เจ็ดจบ